أو ا ل ل ه من الشيطان الرجيم س م ا ل ل ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا ع و ا ن إلا ع ب ا ظ ا ل ي ن وأصلي و أ س ل م على ش ر ا ل أولين وآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه و م ن تبعهم بحسان إلىهم الدين ا ل ل ه م لعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ا ل ع ل ي م الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ت ب علينا إنك أنت ا ل ت و ا م الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر فنا في أمرنا وثبت قدمنا ا وصرنا على القوم الكافرين اللهم يا م خ ل ب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركات ภายหลังที่ได้หยุดการเรียนการสอนในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่คอนกรอนดอนนะคนอนดรอน ر ปีที่แล้วแล้วก็ยืดยาวมาถึงวันนี้น่าจะห้าเดืนและก่อน อ, อื่นขออภัยโทษต่ตอพระสุวรรวอดาลในความบุกร้องในเรื่องในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการ การรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนแลาผมอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องมาก่อนนานี้นานลักวผ่ผมมีสัญญาใจว่าไม่อยากจะให้การเรียนการสอนทั้งอุและฮะดิษเนี่ยได้ขาดไปนอกจากว่าจะเป็นข้อบังคับที่รับคันจริงๆ แล้วก็มีหลายเหตุผลนะครับบางเหตุผลก็อฟังได้แนตะ่บางเหตุผลฟังไม่ได้เลยจึงหนีพ้นจากความบกพร่องไม่ได้แล้วก็ต้องขอมาจากพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับที่ถามผมบ่อยครั้งพี่น้องก็คงสังเกตนะครับพอถามผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไง ร, รู้สึกหลายใจแม้กระทั่งพี่น้องที่ดูดูรายการตามบ้านก็มี ติดต่อมาแล้วก็สอบถามมาว่ า, าอะไรจะเริ่มแลก็มีมีพี่น้องที่เขาไม่สามารถเดินทางมามาที่นี่นะครับอยู่ต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยที่เดิมที่เขาดูตามทางทีวีมันมีอุปสรรคเรื่องของวันเวลาเลยเคยเสนอว่าจสอนเป็นวอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์มันก็ไม่เหมาะสําหรับพี่น้องหลายคน โดยเฉพาะคนที teenage, ่ม <yet> <can> <an oczywiście pense ID> ีครอบครัวก็จะถือวันอาทิตย์นี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะเาเป็นคนคริสต์นะศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวห้ามแตะถ้าต้องอยู่กับครอบครัวนี่ก็เห็นเห็นใจแต่สำหรับตัวผมนี่ไม่มีปัญหาพอครอบครัวผมโคขว่ากลับผมไม่ไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้ ทีนี้พอม า, ม า, มาพอตัดสินใจว่าจะกลับมาก็เลยช่างดูว่าจะาสอนฮานิสเหมือนเดิมไหมหรือจะสอนตัดซีรช่างช่างอยู่ด้า น, นแต่ยังที่เคยบอกกับพี่น้องว่ารู้สึกรู้สึกเอียงเอียงใจใช่ไดหมเอียงใจว่า อ, อจะกลับมาตัดซียรมากกว่าอีกพอตัดสินใจว่าจะสอนตัดซียรเนี่ย เปดูเราหยุดที่ไหนพอดีจบสุรเสลฟานพอดีเริ่มสุรเอตราวพอดีก็เลยรู้สึกว่าขอเปลี่ยนใจตะกี้เอียงใจแล้วขอเปลี่ยนใจเพราะการเริ่มสุรเอตาวบ้านเนี่ยทําให้ผมเนี่ยวิตกกังวลมากเลยเนื่องจากคือสุรเอตาวบ้านนี่ผมเคยอธิบายมาแล้วเมื่อ20ปีเป็นสุราแรกที่เริ่มอธิบาย ตรงนั้นก็เป็นเรื่องฮัลโหละกวิตอนนั้นอันนี้อยู่แล้วใช่ปะตอนตอนที่สนเตไ ท, ท, ท้ายเตาบ้าใช่ปะเออที่สมา ค, คมมานะแต่ตอนนั้นก็สอนแบบสังเขต ไ, ไ, ไม่ไม่ด้ละเอียดมากและตอนนั้นก็ยังเครื่องมือด้านภาษาก็ยังไม่เคยยังไม่ค่อยดีนักนะครับนี่ปัญหาอุวิตกก็วิโตกกระมวลในการอธิบายสูรเศรบ้านนี่เพราะ เป็นสุราที่เข้มข้นมากและเป็นสุราที่พูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็คือเรื่องเรื่องการทำสงครามทั้งภายในสังคมในรัฐอิสลามเนี่ยและก็ภายนอกซึ่งจะมีคำสับบางคำสับเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยุคนั้นนะครับทางที่จะอธิบายให้พี่น้องได้ฟัง เขาบเนี่ยถ้าไม่ได้ผูกพันกับสถานการณ์เนี่ยใครที่ไม่หวังดีก็จะเอามาตีความเละตุ้มเบลเลยมันก็เกิดเกิดเกดอย่างนั้นจริงๆจะในบ้านเราในที่อื่นเนี่ยก็เคยเอาบางอายะในในช่วงแรกๆของสุโขทาวนาเนี่ยครสังหารมุชริกีนางเนี่ยนี่ไงอ่านี่ไงอิสลามสั่งทิ้งฆ่าเลย คนนี้ไม่ใช่มุสลิมซึ่งการที่เราได้การที่เรามีหนะ้าที่ต้งต้องเข้าใจเข้าใจบทบัญญัติเรียนเต้นแท้เนี่ยรวมถึงบริบทของการเรียนการสอนของเราว่าจะต้องถ่ายทอดถ่ายทอดไปยังสื่อด้วยสมัยนี้ว่ามีโอกาสที่คนที่ไม่ได้เรียนรู้กับเราอย่างต่อเนื่อง หรืแม้กระทั่งพีน้องต่างศาสนิกนี่ก็มีโอกาสที่จะที่เขาจะฟังถ้าไม่อธิบายบทบาทเหล่านี้ซึ่งมันเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันในหลายในหลายเรื่องเกรงว่าเกรงว่าการอธิบายสุลตวาวาเนี่ยจะเกิดความบกพร่องและทําให้เกิดความคาดเคลื่อนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้ ผมเนี่ยกังวลใจพอสมควรแต่ผมก็พยายามนะครับที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมข้อมูลไรให้พี่น้องถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามได้ช่วงช่วงท้ายหลังจากอธิบายแล้วเนี่ยสอบถามได้อะไรที่ไม่เข้าใจอะไรที่รู้สึกว่าไม่เก็บมีข้อสงสัยอาจจะไม่ตอบทันทีเลยก็ได้นะผมอาจจะเอามาเก็บไว้ตอบ ในในในครั้งต่อไปจะได้มีความต่อเนื่องซึ่งอะไรที่พี่น้องจะสงสัยหรือไม่เข้าใจเลยเกรงว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็มาสอบถามเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวแทนของพี่น้องตามบ้านว่าเขาอาจจะฟังเราแล้วก็แต่ไม่มีโอกาสที่จะถามเพราะรายการมันมันเป็นเทพเนี่ยรารายการเป็นเทพไ ม, ไม่มีโอกาสนะยกมือถามไม่มีไม่มีไม่มี การโต้อตอบตอนนี้พี่น้องก็พี่น้องที่มาฟังสดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจหรือไม่ต้องออขอใช้คำว่าดูถูกตัวเองว่าฉันไม่ได้เรียนตับเสีลลึกซึ้งขนาดไหนดูฉันจะถามคำถามอาจจะตลกดู เดี๋ไม่ไม่ไม่นะเพอเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปต้องเขา้าใจยิ่งมุสลิมที่จะมีโอกาสถูกถามเรื่องนี้มีโอกาสที่จะนั่งคุยกับน่งนั่งนั่ ง, น, งนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็มีคนที่ไม่หวังดีอะเป็นมุสลิมอ่ะเนี่ไหนบอกนี่เอ๊ะมีหลายคนกันโดนแบบว่าที่เป็นนักศึกษาเปนอะไร อ, นะอ่ะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนที่ ตะเวนเผยแพร่ความคิดที่สร้างความความสงสัยความแทงใจสำหรับมุสลิมต่อตั อ, อนกุรอ่านตัวนี้มีกระบวนการเลยนะมุสลิมก็ต้องมีความพร้อมแต่ผมรู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้เตรียมข้อมูลให้มันมีอยู่สามารถหยิบยกได้มาศึกษามาใช้ได้ในการ ในการเรียนรู้ในการเข้าใจนี้และการหลักๆนั่นก็คือเรามีหน้าที่เตรียมข้อมูลจะได้เข้าใจคำจำลองนบส่วนจะโต้คนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นอันดับถัดมาถ้าเราถูกโจมตีถูกสร้างความสงสัยความแข่งใจในคาสั่งสอนของศาสนาต่างๆเนี่ยนี่เราก็ต้องมีความพร้อมเหมือนกันแต่มันมันไม่ได้มาอันดับแรกนะคือเราไม่ได้เรียนรู้ ไอ้ฉันจะได้พร้อมจะได้โตเข้าใครมากยิ่งมากสวนกลับเลยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักเราต้องเข้าใจข้ า, าวันอันซึ่งน้าอุลีค์มุบารักุนลียอัดดับบรูอ้ายะตีหวอนี่จะ تذكر อุลบอลัลบาบคำพีนี่ถูกประทานลงมาจะได้พินิจพิจารณาจะได้เข้าใจจะได้นำลึกไม่ได้ไม่ไดออกมาจะได้มาโต้เถียงท่านไหนามีห้ามเลยนะ ที่จะเอากุตตานมาเป็นเครื่องมือใช้เครื่องมือในการโต้เถียงจะโต้เถียงกับมุสลิมด้วยกันหรือโต้เถียงกับคนอื่นแม้กระทั่งในโอกาสที่จะโต้เถียงกับคนอื่นกุตอาก็กําชับว่าจะต้องจะต้องโต้เถียงด้วยดี ولا ت ล ا د ي ن و ا أهل الكتاب إلا بالله تيها โต้เถียงด้วยดีทําไมเพื่อไม่ให้การโต้เถียงเนี่ยนามาซึ่งความอาฆาตความโกรธความแค้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณของคนที่แสวงหาความจริงและจริงจังคนที่แสวงหาความหัวใจคต้องบริสุทธิ์เรื่งะจะไปโกรธเรื่งะไรจะไปแคล้งคนอื่นละ่ะแต่โกรธแคล้งนี่แสดงว่าตอนโตเนี่ยเราต้องการเราต้องการชนะเราต้องการอยู่เหนือเข้าแล้ว ไ, ไม่ต้องการให้ความจริงปรากฏเหรอสําหรับเราหรือสําหรับคนอื่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นเหรอ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระ ม, มัดระวังเช่นเดียวกันนเวลาเรียนรู้อา่าคูอ่านกรฝากไว้ในทุกครั้งที่จะมีการอธิบายที่ละเอียดอ่อนนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราก็ถ้าอะไรที่มันชัดเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่อธิบายเยอะนะเพราะมันชัดเนี่ย แต่อะไรที kal, me bye, me ่มันเออมันอาจจะเข้าใจผิดอะไรเนี้ยมีมีการบิดเบือนมีกันอันนี้เราก็ต้องต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจนะสุรัตตโตบาเป็นสุราที่มีเนื้อหาคล้ายคึกับสุระอัลอัมฟาลเพาะสุระอัลอัมฟาลเป็นสุระจาได้ไหมเป็นสุระที่ถูกประทานลงมาหลังจากสงครามบัรซึ่งเป็น ข่าว่าคือบรรยากาศ์ดาสุรัตุโบราณสงครามบัดรบาดรนี่มุสลิมชนะอัออัตว่านี่เป็นสุรัตุโบราณมาหลังสงครามตะบุตะบุคนี่ไม่ได้เกิดสงครามแต่ท่าน น, าบนับีได้นําทัพนําทัพเพื่อไปไปไปตอบโต้ไปขับไล่กองทัพของโรมันที่เข้ามาอย่างชายแดนของคาบสมุทรอาหรับไม่ได้เกิดการประทะแต่เกือบจะปะทะกันแล้ว ท่านจะเรียกว่ากษัวกษัวนีคือในในชื่อว่าประวัติขอท่านนบีสุลต่านละวะอื่นัลเลาะหซุลแลมโดยเฉพาะเขาบอนี่พอถูกแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็เรียกว่าสงครามแต่สงครามนี่ในภาษาไทยนี่ก็คือมันเกิดปะทะแล้วแต่กษัวนีในภาษาอาหรับเนี่ยคือการนําทัพออกถ้านําทัพออกแล้วในก็กอัวแล้วนี่พอมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็อาจจะดู มีโอกาสจะคาดเคลื่อนฝั่งสงฆ์คำตะบูก็ไปอ่านในรายละเอียดเอามิเห็นมิเห็นสู้กันอะไรเลย <c oughs> มันมันไปคาดเคลื่อนในในรายละเอียดนิดนึงกษัวนี่จปะปะทะหรือไม่ปะทะก็ได้กว่ากษัวถ้านําทัพออกจากพื้นที่แล้วเนี่ยจะได้ไปไปปะทะเพื่อไปปะทะกับศัตรูเนี่ยแต่ไม่ได้ปะทะก็ได้กว่ากษัวถ้าปะทะก็ได้กว่ากษัวเหมือนกัน ดังนั้นหลายสงครามที่ท่านนาบีนําทัพออกก็เริ่มไม่ไม่ไดีปะทัสงครามที่ท่านนาบีนําทัพเองเนี่ยจะเรียกว่าฮอรซัวสงครามที่นบีไม่ออกจะมอบให้สหบ้านท่านอื่นนําทัพเนี่ยจะเรียกว่าเซรียาเซรียาก็แตกต่างระหว่างอัลอัมแฟลหลังจากสงครามแต่ตะ บ, บ, บ้านเนี่ยหลังจากสงครามแต่ บ, บุ อัลอัมฟานีสงครามหรือก็สวดบัดรเนี่ยมันเป็นสงคามแรกระหวา่างมุสลิมีนกับมุชลิมิกสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงคำสุดท้ายบัรเนี่ยสงคำแรกตะบูกเนี่ยสงคำสุดท้ายพอหลังจากนั้นลบีก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้น ทัศนะของอุลามะส่วนมากกว่าสุระอัตตาวะเนี่ยถูกประธานลงมาหลังจากสงครามต่บุกทั้งสุร้อยเลยทั้งสุร้อยเลยบางทัศนะบอกว่าแค่สิบอายาแรกบางทัศนาบอกว่าสามสิบอายาแรกบางทัศนาบอกว่าสี่สิบอายาแรกแต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากบอกว่าทั้งสุร้อยเลยฉะนั้นสุระอัตตาวะนี่จะเหมือนสุระตันอันหาม มีไม่กี่สุร้อนในคุรอ่านถูกประทานลงมาทั้งสุร้อนและนามทั้งสุระอนแต่ว่าหนึ่งในสุร้อนนั้นแล้วก็มีพวกสุร้อนสั้นๆนั้นก็มีบางสุร้อนนี่ทั้งสุร้อนเลยแต่มีสองสุร้อนนี้เขาบอกว่าเป็นสุร้อนอัลมีอินมีอินนี่ก็คือร้อยอัพที่มีจํานวนอาย่านี่หลักร้อยเขาเรียกันอัลมีอินมีอินมาจากมีอัมมิอัไปว่าร้อยหลักร้อยแลมีอัลนาม แล้วก็สุราเทาบ้านเนี่ยหลักร้อยถูกระงมมาทั้งสุโรแล้วเนื่องจากว่ามีอย่างที่บอกว่าบรรยากาศมันคล้ายคลึงตรงอัลอัมฟร์นี่หลังจากสงครามแต่บ้าหลังจากสงครามตะบุ๊มันก็คือบรรยากาศของของสองคราม แล้วปกติแล้วนโยบายของท่านนบีสุลตานเหลวซัลลัมทรับอัลกุรอานระบียยุมาเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกบรรดาผู้บันทึกอัลกุรอานมีไม่กี่คนมีไซดิมเนซ่ามีบาวเอมเนบิสุพยานมีอัลลอฮอับบาสมีไม่กคนจะเรียกมาอาญาณีสุรานีไปตั้งไว้ตรงนู้นอาญาณีไปตั้งไว้ในในสุรานุ่นที่มีพูดงเนี้ เพราะการประทานลงมาของวายูเนี่ยทยอยมีการทยอยลงมาไงเฮ้ทยอยลงมาสอบบจะรู้ย ง, ง่ายาว่าท่อนนี้เนี่ยหาอายะที่ลงมาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนบีจะเป็นคนบอกนบีจะเป็นคนบอกบอกกับใครบอกกับคนที่บันทึกแสดงว่าการลำดับอายะเนี่ยโดยเอกฉัร น, นะการลำดับอายะนี่ตากีฟี่เตากีฟี่นิดแปลว่า อยูกับนบีเป็นเป็นอภิสูจน์คนงไม่มีไม่มีไม่มีใครเข้าไปยุ่งมีใครบอกว่าเอ้าอาย่านี้มันไม่เหมาะตรงนี้เนี่ยมันต้องมาตรงนู้นมันต้อการลำดับอาย่านี่เอกฉัน้นเลยนี่เป็นต้ากีฟี่เต้ากีฟี่นี่จำคำนี้ได้เลยเต้ากีฟี่นี่หมายถึงว่าต้องมีกําหนดการจากบทบรรณ์จาก็คือจากท่านนบีอสุลต่านี้แหละ ทีอุลามะเขามีความขัดแย้งกันบางท่านบอกว่าการลําดับสุราก็เหมือนกันสุรานี้ก่อนสุรานี้หลังสุรานี่อลามางท่นบอกว่าอ๋ันนี้นบีก็เป็นผู้กําหนดเหมือนกันแต่อุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่และสุรัลฟาอัลกัตอวะนี่ก็เป็นหลักฐานที่อุลามะบางท่านเหล่านี้กลุ่มเนี้ยที่เขาบอกว่าการลําดับสุรานี่ไม่ใช่เต้ากีฟีในบันทึกของอิหมานบุคารีอับดุลลาบินีอับบาส ซึ่งนบีเสียชีวิตด้าลอฮอับบาสยังเด็กอยู่ 23, อ, ยาอายุ 13-15 แล้วกุรานถูกรวบรวมในยุคของอวบักสดีคครั้งแรกนะโดยที่คนที่รับผิดชอบเรื่องการรวบรวมคุรานทั้งหมดและวางแผนทั้งหมดจดิบเนซาบิในการเชิญชวนของท่งานอุบักอักสดีคและท่าน อ, อมรอ น, นตอตอบ ตอนนั้นอับดุลลบินอับบบสไม่ได้อยู่ในกระบวนการรั Asia, hanya, cribing, boys, bags, inan, cabin, anja, Hence, ่วปรวมอัลกุรอานก็ย่างยังยังยังยังยังยังวัยรุ่นนะแต่ไซดิมนซ่าบปนั้นนั้นหนุ่มแล้วอ่ะส8 2 0ป0ยบยสิกว่าแล้วพอมาในยุคอุสมานนิ่านไปแล้วนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วอับบากุสองปีอูมาร์สบปีสิบ12ปีนะอับดุลลบบสบกว่าี่ปีแล้ว แต่ตอนนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอุลามะแล้วพอท่านศึกษาเรียนรู้กับนบีเล็กน้อยและหลังจากนั้นน่ะก็ไปศึกษาเรียนรู้กับสัฮาบอุโสร์เนี่ยจนกระทั่งเป็นเป็นปรมาจารย์แต่ก็มีบางอย่างที่ท่านไม่ทันไม่ทันเรียนรู้สถานการณ์ของมันเช่นการรวบรวมเัญกุรอานฮะมลลับเนาะเบสมาถามท่านอุสมานอูสมาน อยู่ในช่วงแรกที่ได้ไไปรวบรวมอังคุดอ่านอยู่ในช่วงที่สองรวบรวมครั้งที่สองครั้งที่สองที่ถูกรวบรวมครั้งแรกถูกรวบรวมอัลกุรอานโดยไม่คํานึงถึงเรื่องเกลรออาดเรื่องสำนวนต่างๆครั้งที่สองนี่นะสงครามอาร์เมเนียอาร์เมเนียนุน น, นุนนั่นก็ไกรัสเซียนู้น ยุคของอุสมานน่ะนะพิชิตอาร์เมเนียเรียบร้อยแล้วซอฮาบ้าที่นู่นในสงครามนั้นเนะสียชีวิตเยอะแล้วลูกศิษย์ลูกขาของซอฮาบ้าเนี่ยของอที่อยู่ในกองทัพอนะที่ได้เรียนรู้กุตานจากซาฮาบ้าเนี่ยซึ่งซาฮาบ้าแต่และท่านนี่ก็มาจากหลายหลายถินลูกศิษย์เขาก็มาจากหลายถิน พอมานั to, so one one. Well, uh, ่งอยู่ในกองทัพด้วยกันน่ะอะเวลาว่างๆทาอะไรเขาไม่มีให้เล่นเกมอต่ก็ลูกสาวบ้าเขาชีวิตเขามีเป้าหมายอแล้วว่างๆมะแต่ทหารเนี่ยว่างๆเล่นเกมเล่นเล่นเล่นแบทเล่นติงปองนั่นจะได้ใครเครียดมีแต่เลือดเลือดนีไอ้แต่ก่อนนู้นว่างๆอ่านกุรอ่านว่าอ่านอ่านคุรอ่านเอาคนนี้ลูกศิษย์ของสาวบ้าคนนู้นคนนี้ลูกศิษย์สาวบ้านี่อ่านคนละสำนวนกัน เฮ้เอามาจากไหนมิบเบือนคุตอานี่มึงมาจากไหนมิทะเลาะกันเลยเกือบจะฆ่ากันนะอซัยฟิบลมัอยู่ในเหุการ์อซัยฟะอบุลมานอยู่ในเหตุการ์คีมาไลวิงไปาอุสมานบอกว่าอัดริกอุมมะตมุฮัมมัดรีบาาชาติของท่านนบีนี่จะจะนะแล้วอะไรอะไรกันขึ้นก็บอกว่าทะเลาะกันเพราะฟังคุตอานที่ดูเหมือนไม่เหมือนกันอ่ะใช่ดิ و َ م ِ ئ َ ل َ ع ل َ ه ُ م ْ يَتَذَكَّرُونَ ي و ن ه م ش ا م ن ل ع ل ه م ل ع ل ل ع ل ه م ل ع ل ك م ل ع ل ك م ت ت ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن َ ي و م ل ه ي ذ ك ر و ن م ن ع و ي ه ي َ ذ ك ر و ن َ م َ ن و َ ل ه ِ ي َ ذ ك ر و ن و يتفكرون كابن تتفكرون الكراان. أ س م ا ن ي يعرفن كلي أو ق و ر ا ن تتوكلو ب ر و م ز م ا ي أو م ك ر ا ل د ي ق لمن. و ك ر ي ق سيفدنيه ما هاي عمر بن الخطاب ا ن م ر د ه خ ا ن شاب ما هاي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب เราเสียชีวิตเนีย่ยังอยู่ที่ mm hmm. บ้านของท่านนี่นะคนที่รักษาดูแลยอยู่เนี่ยลูกสาวของท่านฮับซอซึ่งเป็นภรรยาท่านนี้อุสมานก็เลยเรียกจะเบลละเรียก เ, ยเอากุรอาที่ถูกรวบรวมเนี้แล้วก็เรียกซอฮาบะเนี่ยเมารมาเขียนกุรอาอีกครั้งแต่คำนึงถึงเรื่องคือรอาอาต่างๆเช้น ที่ถูกรวบรวมในครั้งที่สองของสมัยยุคของอุสมานอับดุลบาหเนี่ยอ่านได้ทุกข้อราะอัาบะทุกคนในเวลาสมมติเรารู้ลูกศิษย์เขาในเวลาก็อ่านแล้วก็ขัดแย้งกันกลับกับมหาการรวบรวมของอุสมานเนี่ยจึงถูกเรียกว่าอัลมุสหัอัลอิมามอุสฮับอิมามหมายถึงว่เป็นผู้นำและท่านสั่งให้ลอกที่ที ền, from, i, so the ่รวบรวมเนี่ยเจเจ็ดฉบับ แล้วก็แจกไปยังหัวเมืองต่างๆที่มีการปกครองของอณาจักรอิสรามในการรวบรวมครั้งที่สองเนี่ยทีอุส ม, มาเดมิอัฟฟานได้ทันสถานการณ์การรวบรวมครั้งแรกและก็ครั้งที่สองทั้งสองครั้งเนี่ยที่รวบรวมน่ยทั้งสองครั้งอะนะระหว่างแอลแอมฟานกับ التوبانية م ي بسم الله الرحمن الرحيم. س ت يا ما. و س و ر ي ت ن ر ق ج م ي بسم الله الرحمن الرحيم. س ر ا ل ت و ب ا ن ي م ي بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن ب س قال ي م م ا ن ما حملكم. ا ي ل ل ا ه ي ا ك س و ر بسم الله الرحمن الرحيم ن ن ا التوبانية بسم الله الرحمن الرحيم. ن م ا ن م ت ن ب ي س ي ี ش ه ี د لم يضبفوَكْرَوْنَ وَالْأَمْفَالَ بِالْسُّورَةِ الْإِعْتَدَاءَ بِالْسُّورَةِ ا ل ْ إ ِ ع ْ ت َ د َ่ ء ล أَوْلَىٰ َ้ ك َ ب َّ ا ر ُ الْأَمْفَالِ وَكَبَّارُ الْأَمْفَالِ وَكَبَّارُ الْأَمْفَالِ وَكَبَّارُ الْأَمْفَالِ و َ ك َ ب َّ ا ر ا ل ْ أ َ م ْ ف َ ا ِ و َ ك َّ ا ر ُ الْأَمْفَالِ َ ك َ ب َ ر َ م ْ ف ا ل َََِّ ا َِ ب ر ُْ อีกแรงงานหนึ่งอธิบายละเอียดกว่านี้แล้วก็สภาบาลนี่มีเกิดความขัดแย้งตอนที่รวบรวมครั้งแรกกลุ่มนึงบอกว่าอัลอัมฟัลกับอัตตาบานเนี่ยสุรเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่ใช่คนละสุราเอาทำยังไงดีตอนนี้ก็มีกลุ่มสภาที่เสนอบอกว่าสําหรับคนที่เชื่อว่าอัลอัมฟัลกับอัตตาบานเนี่ยคนละสุราหนินะ ก็ให้เว้นวรรคบรรทัดหนึ่งเว้นวรรคบรรทัดหนึ่งแต่ไม่เขียนบิสเบลลาอัลลอฮ์มานุลอฮีมเพื่อให้เข้าใจว่าสองสองสุรานี้มไม่เกี่ยวกันและไม่เขียนมิสเบลลาอัลลอฮ์มานรลอฮีมเพื่อคนที่เชื่อ ว, ว่ามันเป็นสุราเดียวกันให้เขาเออพอที่จะเข้าใจว่ามันอาจจะมีเนื้อหาเดียวกันเป็นสุราเดียวกัน สองกลุ่มที่เขาขัดแย้กันก็เลยยอมในในข้อตกลงนี้คําพูดของอูส麦เนี่ยแฟนที่ได้บอกว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วไม่ได้บอกว่าสุรตะลำแฟลกับสุรตะวะเนียมันเอกเทศหรือเปล่ามันเป็นหลักฐานว่าในการที่จะลําดับสุรเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นต็มที่ฟี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกําหนดการจากท่านนบีอุนนะของอะไรวะซัล ก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ต็มคีฟี่ที่ต้องบอกเหมือนลำดับอายะเนี่ยท่าีต้องต้องบอกนะมันเป็นเรื่องเบลล่ามันเป็นเรื่องการการแจกแจงวายูคําสั่งสอนมันมันมันก็คือเนื้อหาะต้องต้องต้องบอกอีกหลักฐานนึงที่บันถึงโดยบุคคลใมุสลิมเช่นเดียวกันรายงานโดยท่านฮุซัยฟะอิมนุลยามานที่ท่านละมาดเทียมุลลิลกับท่านเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมคือหนึ่ง แลทนบีในรก้ออ่นแรกเนี่ยท่านบีอ่านสุรคือเราใช้วิธีในรบอกกับทนบีก็อ่านติาสต์กานสุรบะกอร์แะสุอันนิษะแล้วก็อ่านอิมันแต่ลำดับในคุร์์อ่านะบกอร์แล้วก็อ่ารืออนก่อนแล้วก็อันิษอันดับที่สสุรอันดับที่สอันนี้ก็อมาทุกทุกสายสงานีเนี่ยะ รายงานว่าท่านนาบีอ่านบักราะะกันนะอันดิษฐ์แสดงว่าเรื่องลำดับเนี่ยในยุค ข, ของซอุาบานี่มันมันไม่ได้มันไม่ใช่เต้าทีฟีมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็สแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเนื้อหาของอกุศอ่านแต่งใดก็พอที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะความที่มีเนื้อหาที่เข้ากันน่มันน่าจะอยู่ในเรื่องของอายะห์มากกว่าเรื่องสุล เพราเรื่องเนื้อหาที่มันเข้ากันนี่เป็นหน้าที่ของท่านนาบีที่ได้ที่ได้สั่งการอพออายะทอดนี้ลงมานาบีก็สําหรับอายะนี้นี่ยไปเขียนในสุรานู่นอ่ะอายะนี้ไปเขียนในสุรา น, นาบีหรือที่จะ ท, ที่จะดูแลความเหมาะสมในเรื่องในเรื่องเนื้อหาที่มันเข้ากันแต่สําหรับสุรานี่เมื่อถูกรวบรวมไปแล้วมันก็จะมีความเป็นเอกเทศของแต่ละสุราเนี่ยไม่กระทบกับสุร้อนอื่นๆนะครับ เอรนี่คือคุณสมบัติของความเป็นสุราสุราแปลว่าบทบทนี้มันก็สมบูรณ์และบทสมบูรณ์แล้วมันไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับบทอื่นใดนี่สุดอัตเตบานี่ถูกประทานลงมาหลังสงครามตะบุกสงครามสุด<ม>ท้ายแอลอมแฟร์ถูกประทานลงมาหลังสงครามบัรสงครามแรกบรรยากาศของเรื่องสงครามนี้ มันก็คล้ายๆกันหน่อยแต่สูรตะตะเตาว่าเนี่จะมีข้อแตกต่างสําคัญมากเพราะสู้ตะะอัลอฟนเฟานี่จะพูดถึงเรื่องสงครามภายนอกมันเป็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเพราะอะไรเพราะตอนนั้นค่อนข้างมีความชัดเจนนะมีเพิ่งมาจากมักกะพอยกมาจากมักกะนี่มาอาศัยอยู่ที่มาดีนะ ประทศนี้มีใครมีมุสลิมแล้วก็มียูแล้วก็มีพวกมุสริกินที่เปิดเผยชัดเจนยังไม่มีมุนาฟิกีเนี่ยไม่มีพวกบิดพลียวพวกสับหลังไม่มีแต่พอในมีอยู่นานแล้วนะอยู่ที่มาดีนนี้นานแล้วหลายปีแล้วมันเริ่มเกิดศึกมีไส้ศึกแล้วก็มีมีมีการเล่นงานจากศัตรูภายนอกเนี่ยที่จะ ก่อให้เกิดศัตรูภายในก็คือไส้สึกที่จะช่วยเหลือศัตรูภายนอกจึงเกิดภาวะของมุนาฟิกีนซึ่งมุนาฟิตีนนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคมในระยะตั้งแต่ปีที่สองฮิจร ơ สั ก, กราที่สุรต่านแฟลทถูกประทับลงมาจนถึงสุรต่านเตวหลังจากสงครามตะบูก ปีที่เก้าฟิจิโรสกราตกี่ปีเจ็ดปีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายภายในสังคมนะดังนั้นโซลตาบ้านี่จะพูดถึงเรื่องมุนาเฟตีนมากมายและนี่คือเหตุผลหนึ่งของการตั้งชื่อซูรห์เหล่านี้ซึ่งซูรห์เหล่านี้ก็จะมีหลายชื่อหลายฉายาสองฉายาเนี่เป็นฉายาหลักๆที่เคยมีระบุใน มุสาในการเขียนอัลกุรอานที่ชื่อที่ดังที่สุดเนกระทรวงอัตเตาบะนีตต อ, ะอัตเตอบะเตอบะแปลว่าอะไรว่ากับเนื้อกับตัวพูดถึงเรื่องการกับเนื้อกับตัวของซาฮาบาสามคนที่มีพฤติกรรมเหมือนมูนาฟิกีนบางอย่างแต่เขาขอลุกกระโทษต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษเตาให้รับเตาบัดตัวของเรารับการกับเนื้อกับตัวของเขาจึงเรื่องเนี้ยถูก ระบุในสุรตะวา่าในตอนท้ายๆจึงถูกเรียกว่าสุรตะวา่าเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงในมันดีนะถ้าเราถึงเดีวจะอธิบายให้ฟังชื่อที่สองนี่ <c oughs> ก็เป็นก็เป็นธรรมเนียม <c oughs> ตั้งแต่สมัยท่านนาบีมักจะเรียกแต่และสุราเนี่ด้วยคําแรกคำสองคาแรกๆในสุราเช่น لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله. قال لما جاء م ن ا ل ه قلدي ا ا ل ح م د لله. رأو رأو ك سورة فاتحة. هيه و ن ق أتَالله أ ت ا ل ل ه ل ه والله. كسمعينا النبي مين؟ سورة قل والله. تاني <تصفيق> مين؟ النبي ل أ ص ه ب ا ن ي بنكحنا جريء. سورة دواي د سورة براءة. คำแรกในสุรานี่มาระดมมิ่นอัลลอฮิวะลลอฮนี่ยเราัไม่ได้อธิบายะ เ, เลยนะในสุรานะเพราะต้องต้องอธิบายบริบทจะได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าจะได้ป้องกันความขัดขึ้นบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้าลึกๆแล้วเนี่ยเราจะแล้วก็อย่าลืมนะที่พูดนี่นะไม่เชื่อพูดอะไรไปก็ พิจาร้าหนาวก็ ว, ว่าใหม่นะพยายามทบทวนด้วยนะเพราะมันมันจะต่อเนื่องถ้าไม่เข้าใจนี้ก็บอกผมจะได้ทบทวนมาให้แต่บางทีก็มีซาฮาบานี่ตั้งฉายาด้วยตัวเองเพราะเห็นว่าสุรามีคุณสมบัติแบบนั้นจริงเช่นแถลงดูรันยามบาสบอกว่าซูรานี้เรว์อัลฟาดิ حة อัลฟาดิฮาดิฮาเปว่าสุรชแฉแฉอะไรเ น, น, นี่ยสุรานีมีย่เนียว่มินห์มว่มินห์มและมีบางส่วนของพวกมุนาฟิกีนจะเป็นและมีบางส่วนพวกมุนาฟิกีนจะทําแบบนี้และบางส่งวนก็จะชอบพูดแบบนี้โอ้แฉพฤติกรรมของมุนาฟิกีนเปิดเผยความเลวร้ายของเ ข, งขานี่ให้คนทั่วไปเนะี่ยซึ่งซึงง่งมันเป็นความลับที่เขาพยายามปกปิด พราล้วมันแค่นี้กัเลยกันเลยอุลาบีอับบาสบอกว่าอุณฮ์เรามเรียกสุรานิ alfazihah ซึ่งอับาบันดันจรียกว่ามุบะซีระมุบะซีระคือทำให้พวกมุนาบิกีนเนี่ยวงแตกเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เ้าไปซุบซิบกันอ่ะสองสามคนน่ยนะอะหลังเที่ยงคืนสองยาม สุบซิปสุบซิสุบสุบซิปนบีสุบิปซาบะเนี่ยเช้าอีกวันหนึ่งกูอ่า น, นดูบทาลลงมาพูดถึงนี่เขาก็นะ <l acht> วงแตกเลยๆๆยัยงไงวงแตกอุบ่าซีระองแตกเลยแล้วมีหลายหลายฉายานะครับแต่อันนี้คือชายาสําคัญสําคัญแนะที่มีมีเรียกกันที่สําคัญอย่างที่บอกว่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยก็คืออันเดอร์ะและก็บออรอหตุผลก็ตามที่ได้ อธิบายข้างตน้นสุรัตตวานีอย่างที่บอกมีบริบทและสถานการณ์หลายอย่างหลายอย่างซึ่งไม่สามารถจะมาเล่าหมดทั้งหมดเลยนะแต่ในแต่ละสุราแต่ะเอแต่ละอายะแต่ละท่อนเนี่ยบางทีต้องอู่พื้นฐานให้เราได้ให้เราได้เข้าใจสิ่งแรกก่อนที่จะเริ่มตน้น สซนีนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์โดยรวมของคาบสมุทรอาหรับในยุคของท่ทานนาบีซุลตานอหรือซาเลมจะเสียชีวิตหลังจากที่ท่านนาบีได้ทำสงครามไม่ได้ทำสงครามทำสัญญาสันติภาพอัลฮูดัยเบียระห ว, ว่างท่านนาบีและกษัตริยมาเกในปีที่6อิจุรัศักร า, าราปีที่6นะหกหรือเจอิจรรัสสการา ประมาณปีที่6สัญญานี้ว่าระหว่างกุเรชชาวอักัเนี่ยแล้วท่านนาบีจะยุติการทำสงครามส0ปียุติการทำสงคราม10ปีตอนนั้นนะ่ะต้องเข้าใจนะตอนนั้นนะ่ะเมืองหัวเมืองสำคัญเลยกว่าเป็นเมืองหลวงของค้ามสุลอรับก็ว่าได้ และบรรดาเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีมากที่สุดนี่ก็คือชาวกุเรชที่อยู่ที่มักกะเพราะอะไรเพราะเขาครอบครองเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอาหรับอาหรับมีทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยอะนะสืบทอดศาสนาของท่านนาบีอิบราฮิมท่านนาบีอิสมาห์ท่านอาหรับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เหลือจะกท่า แต่ศาสนาทานนาบีบรูยิมรู้ไหมเขารู้ว่าปู่ปูใหญ่ของเขาเนี่ยท่านนาบีบรูเป็นเป็นคนสร้างกาบะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นพันปีนะจต่ไม่ลืมไงจึงมีข้อผูกพันระหว่างอับักกับมักกะพ่ออะไรลูกหลานเวลาปูยา่ย่าตายายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยแต่จะมีข้อผูกพันกับบ้านบ้านเดิมบ้านเกิด ถึงแม้ว่าคนนี้อพยพไปอเมริกาคนนั้นไปอยู่ไปทํางานที่ไหนคนนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่เวลาจะมารวมญาติรวมพี่น้องไปเจอกันที่ไหนบ้านกีบ้านโต๋นะบ้านกีบ้านโต๋ทาไมบ้านโต๋ทาไมไม่บ้านชั้นอะทำไมแล้วทําไมไม่บ้านชั้นอะไม่จบไงเห็นไหมบ้านบ้านกีบ้านเน่ย คือคืออะไร ต, ต, ต้นต้นต้นตระกูลของเราเนี่ยเออก็อยอมรับกันหมดต้นตระกูลของอรับคือท่านนาบีบรอฮิมท่านนาบีอิสมาอิและบ้านที่ท่านนาบีบรอฮิมแล伊สมัยสร้างเพื่อสักการะพระเจ้านี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะเระักอารับนี่นักเติร์ดดัด้มบันเนี่ยเขาก็จะไม่ลืมทําภารกิจที่ต้องไปทําฮะจุลกะอุมรอมาเดอร์ แล้วคนที่อยู่ในเมืองมะ ก, กาเนี่ยอันนี้ก็คือสายสกุลแท้ๆเนี่ยของนบนีบนบนีบอิบราฮีมและนบีอิสมาห์ฉะนั้นชาวอาหรับเนี่ยในบสมุทรอาหรับเนี่ยยอมรับในความเป็นผู้นำของกุริชก็นบนีเป็นกุริชไปใช่หลืใช่แต่นบีกำบนดประเพณีจารีตของบรรพบุรุษที่เขาอ้างว่า มันเนื้อเดียวกับคําสั่งสอนของของบรรพบุรุษท่านบีบรูฮิมท่านนบีอิสมาอินี่ต่อต้านเรื่องเจ้าเวดอยู่แล้วเรื่องการตั้งภาคีอยู่แล้วแต่พอมายุคของอามุร์อับดุลฮหยลกิซะอัลกุซาอินนี่ชาวโครเลสเขาไปทําธุรกิจที่ที่เบอร์เซียเขาก็ชอบเบอร์เซียนี่เขจะบูชาไฟใช่ไหมบูชาไฟแล้วก็ ในในโบสนี่ก็จะมีเจ้าทอมีอะไรสวยดิสวยงามดิเหตุผลตอนนั้นน่ะศิละปะหรือเปล่าก็เลยเอามาด้วยตัวสองตัวแล้วก็มาแขวน ด, ดีกาบะอยู่ไปอยู่มาตาวาบกาบะฮตาวาฟกาบะอร่ ด, ดีอร่ ด, ดี ด, ดี ช่วงแรกก็วันดีก่อนนะพอช่วงหลังนี่อักราบขอกรามันได้เป็นยังไงมันได้เป็นยังไงทนนบีมุฮัมมัดสุล่านจมูอัมรุบุลฮัยอัลฮุซาอีเป็นคนแรกเสียชีวิตส0มร้อปีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดสุลแสดงว่าเรื่องชิริกเรื่องจวิดเนี่ยเข้ามาในคาบสมุดอาลรัมนี้ก่อนท่านนบีนี่ประมาณสามร้อยปีก่อนหน้านั้นไม่มีเลย กาหรับีเขาย่างอนุรักษ์ศาสนาของท่านนาบีบรหีมที่อิบราดอะอัลลอฮ์องเดียวไม่มีอย่างกาบ้านนี่ไม่มีจเจวิตไม่มีอะไรแต่ก่อนนบีเทศนาก่อนนบีจะเกิดเนี่ยอัมรุบุลฮัยอัลคูซาอเป็นคนแรกที่เอาจเจวิตมาถูกบูชาที่กาบ้านท่านนาบีบอกว่าข้าพเจ้าเห็นอัมรุลฮัยอัลคูซาอลากไส้ตัวเองในในจะรันนำลากไส้ตัวเอง เนรเพราะต้นแบบที่เอามาทำไว้และทำให้ชาวอารับทั้งหมดเนี่ยมาหลงตาน่ากลมากเขาอาจจะช่วงแรกอาจจะทำด้วยด้วยความรู้สึกเนี่ยอย่างที่บอกศิลปะสวยดีหรือว่าเอ่อให้เป็นเป็นการฟื้นฟู ฟื้นฟูสภาพวัฒนธรรมของอาหรับโบราณโบราณพวกเราจะได้เหมือนพวกเปอร์เซียเมืองไทยตะก่อนนู่น น, ใน่ในในในสนามพื้นที่ต่างๆไม่มีไม่มีนะสร้างสร้างรูปปั้นสร้างอะไรไม่มีแม้กระทั่งในประเทศอาหรับเนี่ยในในใน อนุสาวรีนี่ยมีของสแตดําบ้างมีของสัดดัตบ้างมีนักเซอร์บ้างรูปปั้นเอามาจากไหนก็ามาจากพวกตวันตเกเราก็เราก็เราก็เห็นครัสเซียเนี่เป็นประเด็ศคริสใช่ไหคริสยุโรปนี่ก็คริสใช่ไหมข้พอมีคนสําคัญสําคัญที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะพอถ้ามีเออ อาคารตุกกาได้แขกมาเยือนประเทศเนี่ยอ่ะก็ต้องไปเยือนกุบโบกุโบของเขานี่สุสานของเขาหนิก็จะมีรูปปั้นแต่รูปปั้นเนี่ยก็จะมีการมอบช่อดอกไม้แล้วก็มีมันมาจากไหนอ่ะนี่อะไรก็แบบนี้แหละเราเริ่มต้นเรื่องศิลปะนิดนิดหน่อยสแค่สร้างเพื่อรําลึกถึงเขาแต่พอทําพิธีไปไปมาเนี่ก็ต้องมีมีกลมมีกราบ ม, มีอะไร บ้านเราก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งนักศาสนาในบ้านเราในศา ส, สนาพุทธเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขามีความลึกซึ้งในศาสนาในคำสั่งสอนขอ ง, ของมพระพุทธเจ้านะเขาก็เป็นอ่วงว่าคนไทยนี่เอะอะไรนี่เอามาเอามาตั้งอย่างนั้นนะ่ะผ่านไปนิดหนึ่งกับบูชาแล้วสารพระภูมตั้งนะต้นไม้ มีพี่น้องเคยเขบอกว่าเคยทดลองต้น อ, อะไรก็ได้ก็เ อ, า, อ, า, า, อา้ผ้านี่มาพันผืนแรกเขบอกว่าผ่านไม่ไม่กี่เดือนเต็มไปหมดละ <c oughs> มันมั น, มนอะไรที่มันดึงดูดในคนแบบพยายามหาอะไรพึ่งพามันก็เริ่มแบบนี้แหละสมัยเราเก็แบบนี้เลยสมัยท่านนายบินุก็แบบนี้เหมือนกันสร้าง รูปปั้นให้ปู่ย่าตายายเป็นคนดีเนี่ยเราจะได้นึกถึงความดีของเขาเราจะได้ไม่ลืมคุณงามความดีของเขาอยู่ไปอยู่มายุคยุคแรกรุ่นที่สอง g e n e r a t i o ที่สามที่สนี่นะไปแล้วรูปปั้นนี่มันต้องมีคล็ดลับมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึงสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าอาหรับนี่เขาเอกฉันกันว่าจะจะบูชาเจวิตนะฮะแต่เขาก็ยังมียังมีอะไรที่มันเกี่ยวกับศา ส, สนาท่านนบีบรห oh ิเขาบอกว่านบีมุฮัมมัดทรงทก็เป็นกุเรชเหมือนกันท่า บ, บอกว่านบีกระบฏสิ่งที่เขาชอบนบีปฏิวัติสิ่งที่เขาเหนียวแน่นกันอยู่ก็คือเรื่องเรื่องบูชาเจวิต เลยมองว่ากุริชนี่กุริชเนี่ยคือเจ้าของแท้แทของมักกะเจ้าของแท้แทของสายสกุลของดัช น, นีบีบรอยัอลมฮ ม, มัดละมุฮัมมัดนี่ถือว่าแท้ๆเลยนะและคําสั่งสอนของดัช น, นีบี ม, มุฮัมมัดนี่ที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำสัสอนนี่ให้เห็นนะครับมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วเวลามีความชอบไม่ใช่ชอบธรรมนะมีความชอบใจ พร้อมพร้อมที่จะถอนความชอบธรำทจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความดั้งเดิมของมันคําสั่งสอนของท่านน บ, บีเหมือนท่านนบีอิบราฮิมในมุฮัมมัดนั่นก็เหมือนท่านนบีอิบราฮิมไม่ไม่ใช่สายสกุลของท่านนบีบราฮิมก็แท้เลยนะครับไปถึงนบีบราฮิมส่วนใหล้วะไม่ใช่ไม่ยอมรับในตัวท่านน บ, บีแต่ยอมรับ ในชาวกเริชพอท่านนบีทําสัญญาสันธิภาพขุดยิบียนเนี่ยหนึ่งนิโคตล ง, งานะนะว่าท่านนบีมูฮัมหมัดและกุเรชเนี่ยจะไม่บังคับไม่บังคับใครไม่บังคับใครที่จะใยฝักใยเลือกข้างในบรรดาเผ่าพันธุ์ในบรรดากลุ่มต่างๆในคาบสมุทรอาหรับทั้งหลายแต่ก่อนนั้นนะ่ะก็ถือว่ามีกุเริชนี่แลละ เจ้าเมืองใหญ่นี่นะแล้วก็ท่านอบีมุฮัมมัดนี่ก็ถือกําลังเป็นกําลังเป็นเอกว่าเป็นกลุ่มอํานาจใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถปะทะกับคูเรตูริชนี่ก็ถือว่าอืมถืว่ยิ่งกว่าสามปออีกคือทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างอยู่ในมือเลยไงมุฮัมมัดนี่กล้าเหรที่จ ะ, ะแสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน ข้อตกลงนี่บอกว่าใครจะเลือกไฟไหนเนี่ยก็เเชิญเชื่อไเผ่าในคาบส ม, มุทรอาหรับเนี่ยเป็นสิบสิเป็นร้อยนะทั้งหมดเนี่ยเลือกใครกูรชเนี่ยทั้งทั้งนี่นบีน บ, นบีชนะสงครามหลายสงครามกับกุเรีชเลยนะนนยังเลือกกูรชมีไม่กี่เผ่าคุซาห์มุดลิชมีไม่กี่เผ่าสองสามเผ่าไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เลือกข้างท่านนบี เพราะมองว่าท่านน บ, บีมีความยุติธรรมมากกว่ากูริชสองสามพันเลือกท่านน บ, บีสโลโลโลุลต่านแต่ในครอบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่มีเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากเมืองของท่านน บ, บีเมืองมัดฑีนาเนี่ยหรืออาสลิปเนี่ยเพียงเดียวและอื่นและที่อื่นละ่ะมะ ก, กาเนี่ยจรวดก็ยังเต็มเลยจรวดก็ยังเต็นกาบ้านเลยเมืองอื่นนี่ก็ไม่ต้องพูด หลังจากสงครามหลังจากสุลฮัลฮูดัยบิยานี่สัญญาสันติภาพของฮูดบียานี่นบีที่มีเป้าหมายยุติสงครามทั้งดิสัญญาสันติภาพนี้เนะี่ยทราบว่าจำนวนไม่น้อยเนะี่ยที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันมีข้อตกลงที่กุรรีชเนี่ยเอาเปรียบเอาเปรียบมุสลิมเยอะมากเลยเช่นถ้ามีคนหนีจากกุรเรชรับอิสลามมานะนบีต้องเอาคืนกลับให้เขา แต่ถ้ามีคนหนีจากมาดีน่าจากท่านนบีเนี่ยทิ้งอิสลามแล้วจะกลับกุเรชเนี่ยกุเรชจะไม่เอาคืนครับสุดเอาเปรียบนะเนี่ยยุี่สงครามสิบปีและปีนี้เนี่ยที่ท่านนบีอุษาออกมาจากมาดีน่าใส่ชุดอมรอดจะได้ทำอมรอดเนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ทำอมรอดมาทำปีหน้าทํำไมอ่ะบอกว่าจะทําปีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาหรับนี่เขาพูดโอมาแล้วก็มาขนาดนี้แล้วก็เข้าได้แสดงงอยิ่งใหญ่แล้วไม่ต้องกลับไป เออกูเลยจะได้ถือว่าเอออย่าเขายังยิ่งใหญ่เขาสามารถห้ามคนอื่นไม่ให้เข้ามากได้นบียอมเา้าิหานบีเนี่ยยุติสงครามสิบปีนะไม่ต้องเตรียมกําลังไม่ต้องเตรียมกองทัพไม่ต้องอะไรนี่ทำอะไรดาว่าอย่างเดียวดาว่าอย่างเดียวซึ่งในช่วงนั้นนะ่ะระหว่างสัญญาสันติภาพปีที่หจนถึง ตะบุกหลังจากตะบุกในปีที่เกแล้วก็สู้ตะวันตกมาลงมาเนี่ยท่านนบีได้ทําหน้าที่กับซอเต็มที่ในการเดาว่าในการเผยแพร่หลักการศาสนาเรียกว่าคาบสมุดอาหรับทั้งหมดเลยไม่มีใครไม่รู้นะกุรอ่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์รัสูลเรื่องหลักการเรื่องอะไรอะไรไม่มีใครไม่รู้แล้วรู้กันหมดแล้วชาวบ้านในบางทีในก็ไปในทะเลทรายนี่ก็ไปเจอพวกอาหรับ เร่ร่อนที่อยู่ในทะเลทรายนี่ไม่ไปไหนเลยเพราะคุณเนี่ยเป็นสาวกของคนที่แอบอ้างว่ารับว่าอยู่จากอัลลอฮ์เนีอัแสดงว่ารู้รู้คนอยู่อยู่ในทะเลทรายแบบว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรอับรู้แล้วเนี่ว่ามีนบีมีคนอ้างว่ารับว่าอยู่จากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแสดงว่าพอตอนนั้นก็ต้องอาศัยเวลาสื่อสาร มันไม่เหมือนปัจจุบันน่นะนะปัจจุบันเอนนี้คนในป่าเนี่ยคุณไปอยู่ในป่าเนี่ยรู้ข่าวสารของคนละตะวีปคนละคนละมุมโลกก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่ต้องอ็ศัยเวลานี่คือบริบทของสถานการณ์นะแต่การแบ่งแยกผู้คนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะว่าในคาบสมุทรอาหรับเนี่ย มีอยู่สามกลุ่มเท่านั้นหน่งก็คือมุสลิมสองก็คือมุชริกีนที่ไม่มีข้อผูกพันกับท่านนบีก็เรียกว่าเป็นศัตรูกับท่านนบีโลลอละเลสลมอย่างสิ้นเชิงปะทะกันและนี่คือส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก็คือกุเรชหรือชาวมักกะเนี่ยก่อนที่จะมีสัญญาสันติภาพ กลุ่มที่สามนี่ก็คือมุสริกีนที่มีสัญญาข้อตกลงอย่างหนึ่งอย่างใดมีสามประเภทนั้นแต่เราจะได้เข้าใจนะและอยู่กันยังไง่ข้หมายถึงว่ามุสลิมเนี่ยหรือมุสริกีนเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีสัญญาไม่มีข้อตกลงอะไรเลยนะสมมติว่าเจอกันที่ไหนเนี่ยทำอะไรเฮ้ย굿 o อร์นนิ นี่เจอกันที่ไหนเนี่ยและทางมุสลิมนี่ไม่ไม่ชัก ด, ดาบไปไอ้นคนนั้นนะก็ยิงธนูค่ายค่าอย่างเดียวนี่ต้องเข้าใจเรื่องนี้มันข้อเจริ ง, น, รงนะและส่วนมากในอดีตอดีตโบราณ น, นะคนเนี่ยก็อยู่กันหนึ่งเนี่ยไทยกับพมา่ายังไงพม่ า, มาเจอเจอไทยเจอสยามทํำยังไงนั่งกินน้ําชากันนะ่ะ หรือกินน้ำท่อมกันเจอกันใครเจอใครในี่ก็ใครฆ่าก่อนกันนันอ่ะูชนะแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยมีทรัพย์สินอะไรนี่ยึดหมด น, นี่คือสภาพของของสังคมในอดีตนะแต่ในคามสมุทรอาหรับเนี่ยความเป็นศัตรูนี่มุสลิมเนี่ยขอที่จะมีอิสระในการได้เจอไปแแร่ศาสนามุสลิกีเนยเขาไม่ยอม จึงประกาศความเป็นศัตรูประกาศจะเข็นฆ่ามุสลิมเพื่อขัดขวางห้ามไม่มุสลิมเผยแพ่ความเชื่อของเขาซึ่งความเชื่อของเขาเนี่ยที่เขาโอชริกีนเนีขาคิดว่าเป็นภัยต่อความเชื่อที่เขามูชาจวิดอยู่เขาเขารู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะเป็นเป็นเป็นภยนัยอย่า้นจะเจอมุสลิมมาฆ่ายอย่างเดียวเอาแล้วถ้าเจอมุสลิกิน หรือมุสลิมกินเจอมุสลิมที่มีข้อตกลงด้วยกันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่อย่างที่บอกมันเป็นส่วนน้อยอ่ะส่วนน้อยส่วนมากนี่ก็คือกุเรชแล้วก็คนที่ฝักใยกุเรชอันนี้ก่อนที่จะมีสัญญาสันติภาพของฮอดีเบียเพราะหลังจากสัญญาฮอดีเบียในหนึ่งปีฮอดีเบียี่ปีหหรือปีที่เจ็ดนี่นะ แล้วแค่นหนึ่งปีมีกลุ่มหนึ่งที่ฝักใยกุรเรชเนี่ยไปบุกรุกกลุ่มหนึ่งที่ฝักใยท่านนบีสลลุลต่านละซึ่งในข้อตกลงว่าในระยะสิบปีนี้นะห้ามฝ่ายหนึ่งฝ่ายอะไรเนี่ยเริ่มทําสงครามถ้าเริ่มทำสงครามไ ม, ม่ถือว่าตัดขาดแล้วข้อตกลงนี้พอกลุ่มหนึ่งที่ไปบุกกรุก อ้กลุ่มกลุ่มนึงที่ฝักไฟกูเรชเนี่ยบุกุกกลุ่มนึงที่ฝักไฟท่านนบีส้นสองกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมนะกลุ่มนึงที่ฝกรชเป็นมุสริกินซือกลุ่มนี้ือบบรอะไรสักอย่างกลุ่มที่ฝักไฟท่านนบีเนี่ยว่าคูซาฮ์เป็นเผ่าเผ่านี้มุสริมกีมันก็ไม่ใช่มุสลิมนะไอ้กลุ่มที่ฝักไฟกูเรชเนี่ยเดินทางกลางคืนแต่มืดนะ ชาวตูนี่นี่ยบุกเมืองเลยค่ะคนยึดซับหมดกูร์าจะขอความช่วยเหลือจากใครกูเริเชลกูรชคนละฝั่งอ่ะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งศัตรูเ้าไงเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากท่านน บ, บีซึ่งเป็นเป็นฝ่ายที่เขาฝักใยและน บ, บีในฐานะที่โคตรตกลงว่าต้องปกป้องคนที่ฝักฝ่ายเขาเพราะในโคตรตกลงเขาไม่ได้ยีบอัเนี่ย ฝ่ายนฝนายได้อารับทั้งหมดเลยเนี่ยเลือกเลือกฝ่ายไหนนี่ห้ามไม่ห้ามไม่ได้เขาจะเลือกฝ่ายไหนนี่ก็ต้องปล่อยอารับส่วนมากนี่เลือกกูเรชท่านบีก็ไม่ไดีว่าแต่พอของฝ่ายกูเลชเนี่ยบิดพริว้วท่านน บ, บีก็ถือว่าข้อตกลงที่มีกับเขานี่ก็ถือว่าเป็นอันวายุติแล้วน บ, บีก็เลยให้เป็นเหตุผลในการที่จะไปพิชิตมะกะพิชิตมะกะนี่ เพะพิพชมักกะฮะปีที่แปดฮิจรัตสักกันนัดพิชิตมักกะนี่ยโคตกลง้งแล้นะก็ถือว่าจบแล้วนะกุรเรชและคนนี้ฝักไปกูรเชเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ในสายตาของท่านนาบีและมุสลิมเนี่ยก็เป็นคนที่ยังไม่หวังดีเพรท่านนาบีถือว่าเป็นเป็นฝ่ายที่ไ ป, ไปไปไปยึดเมืองเขาไงไปยึดเมืองเขาเขายึดมักกะฮะแล้ว่นะกุรเรชเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพนะ ก็ ต, ต้องสยบเพราะเป็นฝ่ายแพย้แพ้แต่อารับทั่วครับส ม, มุทรอารับเนี่ยยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าตกลงจะเอาอยัางไงกูรชนีแพ้แล้วเขายอมแพ้แล้วอาราบทั้งหมดเนี่ยยอมแพ้เหมือนกูรชยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครพูดแต่มีกลุมบางกลุมเนี่ยที่มาสยบกับท่านนับีุลลาบางกลุ่มเนี่ยมาสยบกับท่านอบดาห์แล้มีบางกลุ่มที่เคยมีข้อตกลง ที่ฝักไปท่นานนบีนอันนั้นคือกลุมที่มีข้อตกลงสรุปแล้วในข้อสมุดว่าหนึ่มีมุสลิมสองมีมุชริกีนที่ไม่ฝักไปท่นานนบีแล้วก็ยังเฝ้าระวังยังมองว่านาบีเป็นศัตรูอยู่นะเป็นคนละศาสนาแล้วเป็นคนที่ไม่หวังดีกับเรื่องจเจริญของเขาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เอากับเขาเป็นศัตรูและมีมุชริกีนที่มีข้อตกลงกับท่านนาบีซึ่งข้อตกลงนี่ก็ บางทีก็มีระบุระยะเวลาบางทีก็ไม่มีระบุระยะเวลาอีปีที่แปดฮิซ ร, รนะัสกษตริ์นะสิ้นปีที่แ8ดฮิซลัสกษนบีก็ไปพิชิตตออิฟไปพิชิตทาสงครามคในปีที่เก้าเนี่ยมีข่าวว่าโรมันเนี่ยเขาจะเขาจะเข้ามาเข้ามาเข้ามาในชายแดนของข้ามสมุทรอาหรับเนี่ยเพื่อจะได้มาทำสงคราม ลงมาแสนหนึ่งท่านนับีก็เลยยกทัพสี่หมืน่นเขาคิดว่านาบีนบบีก็ซอบ้านนี่คไม่กี่ร้อยไม่กี่พันะนะพออับียกทัพสี่0มืน่นแค่นี้เนี่ยตกใจแล้วตั้งไหนอรับคือต้องเข้าใจนะโรมันนะนะกับเปอร์เซียเนี่ยสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคบของเค้าดูถูกอารับมากเป็นพวกเรีร่มเป็นพวก ไม่มีความเจริญไม่คืมโนนีมเลยอะ่ะไอวันนี้คืนนี้นี่อรับนี่รวมตัวกันกองทัพสี่หมื่นตกตุ้ตกใจดิตอนนั้นมียกทัพเนี่ยสี่หมื่นเนี่ยไปตะบูกันนะผู้นําแม่ทัพนี่รู้แล้วเนี่ยกลับเลยกลับเลยแต่ส่วนมากเขาก็ต้องต้องรักษาฟอร์มนะเฮ้ย <Be at> ช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนี้ <laughs> ในในตำราประวัติศาสตร์ของโรมันเนะี่ยช่วงนั้นนะ่ะมันมีโรคระบาดมีโรคระบาด ท, ที่ เออโรมันนะ่ะอาณาจักรโรมันเหนียงกว้างขวางแม่ทัพนี่ก็บอกว่าอ้างมีคำสั่งว่าให้กลับแล้วเพราะเรามีภารกิจอย่างอื่นก็ว่าว่าไปหลังจากสงคราม <c oughs> ตะบูกเนี่ยท่านนาบีก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าความมั่นคงภายนอกในชายแดนน่ะนะเรียบร้อยแลวข้าบสมุดอาหรับนี่ก็ถือว่าเหลือภายในเนี่ยที่ตรง จึงจึงมีก็บัญชาจากอัลลอสุบฮานาวะดานะที่จะให้ท่านนาบีจัดระเบียบสังคมภายในก็คือในข้าวส ม, มุตอาห ร, รับทั้งหลายจัดระเบียบยังไงอ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับการอยู่กฎหมายเรียกว่าเราจะมี เหมือนในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญ น, น่ะนะรัฐธรรมนูญนี่ก็จะมีหมวดเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนละเมืองคนไทยนี่คือใครอ่ะคนไทยที่ถือสัญชาติไทยบรงทีก็บอกว่าสัญชาติไทยพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนไทยบางประเทศในองโอ้ยต้องต้องปู่ย่าตายายถึงชั้นสามนี่เป็นคนถือสัญชาติอะไรแบบเนี้ยีทั้งหมดมีระบุนะ ปะเทศอิสราเอลนี่คนที่จะมีสิทธิในสวัสดิการของรัฐอิสราเอลนี่ต้องนับถือศาสนายิวนั้นเลยหมายถึงว่าถ้าเป็นชาวอิสราเอลแต่ไม่นับถือศาสนายิวอย่างเช่นมีคริสหรือมีอาหรับอาหรับที่นับถืออิสลามอาหรับที่นับถือศาสนาคริสมีไหมมี เขาไม่ไักถือศาสนายิวแต่เขาอยู่ในในดินแดนที่อิสราเอลนี่ยยิวเนี่ยยึดไปนี Toby ่น uh ่ะและได้สัญชาติอิสราเอลแต่ไม่นับถือศาสนายิวเขาก็เป็นคนที่ถือสัญชาติอิสราเอลแต่ไม่ได้สวัสดีการที่สมบูรณ์เหมือนยิวจะไม่ได้การคุ้มครองที่สมบูรณ์เหมือนคนที่นับถือศาสนายิวนี่นี่ในในในประเทศปัจจุบันนะศตวรษ ที่21แล้วนะและ้วก็องค์การระหว่างประเทศเรื่องการนานาชาติเนี่ยก็ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะต่อตา้านหรือจะบอกว่า้ย น, นีเน่เป็นการแบ่งแยกด้วยศาสนาเฮ้ยนี้เป็นการมันไม่มีเลยนะอเมริกาี่สนับสนุนแต่ว่เป็นสิ่งลวเขา้าไม่ว่าไม่ได้ปติกันผลละเมืองผลละเมืองของปฏิกันต้องต้อง เป็นคาทอลิกโอตุดก็ไม่ได้นะโอตเซนก็ไม่ได้นะปอบตะก่อนนู้นนะอนาณาจักรที่ยุโรปทั้งหมดเนี่ยใครที่ฝักไฝเข้าเนี่ยต้องนับถือคาทอลิกและใครที่ไม่นับถือคาทอลิกนี่เน่ยจบเลยนะใบแดงนะไม่เข้าสวรรค์แล้วใบแดงนะทําสงครามกับปอบทําสงครามกับอังกฤษเนื่องจากว่ากษัตริย์เฮนรี่จะมีลูก ราชคีมีลูกเป็นผู้หญิงใคอยากได้ลูกเป็นผู้ชายจะได้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจของต้วยไม่มีลูกต อ, ตอนนั้นตอนคั้นเขานับถือกาสุลิกเนี่ยาสุลิกนี่จะหย่าไม่ได้แต่งงานคนที่สองไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนนิกายเป็นเป็ น, ปนออกจากกาทุลิกเลยจะได้แต่งงานคนที่สองจะได้มีลูกชายประเทศกาสุลิกทั้งหลายนี่ประกาศสงครามกับเฮนรี่ นี่ไม่นานนัเนี่ยประมาณไม่กี่ร้อยปีเนี่ยคือหลงังจากขั้นอับดุลลาบิร์สันโนซันแล้วแต่เขาไม่รู้สึกรู้สารเลยว่านี่อันนี้อันนี้ทำอันนี้ฆ่าไม่ใช่ฆ่าด้วยศาสนานะฆ่าด้วยนิกายนะนิกายไม่เหมือนกันอีฆ่ากันเลยนะมันนีมันมีเกิดมาแล้วไงทําไมผมต้องเล่าเรื่องนี้เพราะเดิมันจะมีไงกฎเกณฑ์ที่ที่อยู่ในสุนัอ เต่าบ้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมบัติของคนละเมืองอซึ่งจะมีความเข้าใจอาจจะมีความเข้าใจที่ขาดขก้นที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องอธิบายให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาเราเริ่มกี่โมงนะเราเริ่มกี่โมงอิชาอิชานี่ผมเข้าใจผมดูเหมือนเป็นออกรายการเราออกรายการเหมือนสองทุ่มครึ่งน อันั่งดูสา3ที่มยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเนี่ยเหมือนออกริการอะ่ะกิการมันจะเริ่มสองทุ่มครึ่งแต่ที่จริงนเราเริ่มหลังอิชาใช่ปะ่ะอิชานี่มันทุ่มครึ่งกว่าจะละหมาดก็สองทุ่มเอหนะึ่งชั่วโมงละอ่ะนีอีกนิดหนึ่ง ไปดูเวลาให้หน่อยผมผมเวลาพูดนี่มัน <laughs> อ่ะมาเริ่มนะ <c oughs> อูุบิลลาฮิมินัสชีตานอัลรจีมิบารอาตุนต้องคุ้นเคยนะเวลาอ่านสุดอตาวบ้านี่เขาวนะิสมิลลาไม่มีนะเอาลนะ้้ากล่าวตั้งใจกล่าวบิดานะผิดนะถ้าถ้าตั้งใจกล่าวเพราะ ชินน่ยผิดถ้าตั้งใจนะแต่ถ้าตั้งใจแล้วบ่ามันไม่เหมาะที่จะต้องมีมิสเป็นแหละนี้อันนี้อันนี้อันตรายมาอันนี้บิดเบือนเลยนะต้องระวังนะแต่ถ้าเผ่อเราเราอ่านกุดอ่านบ่อยเงี้ยแล้วเวลาายจากซูร่ามาซูร่าเนี่ยผมก็เคยเคยเป็นตามิสเปนหลอย่างเงี้ยลืมตัวอันนี้ไม่เป็นไรแต่ให้ระวัง เริ่มต้นนี่นะเพราะพาอเราเขาเราเราต้องต้องอนุรักษารักษาโครงสร้างของอุษนทุกอักษรทุกสระเลยและนี่มันบิสมิลลาหราะห์มานุรมีบรรทัดนึงอะนะเราจะไปใส่แล้วทาว่าเขาไม่ได้ใส่เนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องอลอฮฺบิลลฮิมินชชัตนรดิญีบารอาตุมมินัลลอฮวะรัสูลีฮีอีลาลลัตติหนฮตุมมินอัลมุชรี นบีกลับมาจากสงครามตะบูกปีที่เก้าปีที่แปดนบีพิชิตมักกะเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นสองเดือนก็มาชงฮัจชงฮัจนบีก็ไม่ได้ทำฮัจนบีกลับมาดีนะแต่ตั้งอัตต์อับดุลอุไซสหราชหนึ่งเป็นอเมีรุลฮัจเป็นผู้นาในการทำฮัจ ในปีที่แปดปีที่เก้านบีเ็จงคาเลซส บ, บูกันหะกลับนี่ก็ช่วงฮัจญป น, นีนบีก็ตั้งใจจะไปแต่มีคนมารายงานท่านนบีซอลโลอฮฺเลวสัลลัมว่าจ้าเวดนี้ไม่มีแล้วเพราะปีที่แปดนี่นบีรื้อหมดแล้วแต่ยังมีชาวมุชริกีนที่ยังมีข้อตกลงกับมุสลิม ในสัญญาสันติภาพมุสลิมเี่ยเขาก็ยังมาทําพิธีฮัจของเขานะซึ่งหนึ่งนึงในพิธีนั้นนะ่ะของชาวมุสลิมเนี่ยมาทำพิธีฮัจเนี่ยเพื่อกลับเนื้อกับตัวกับอัลลอฮ์ทิ้งบาตทั้งหลายเนี่ยก็จะตะวากรอบกาบเบลื่อยกายและในสํานวนสํานวนที่เขากล่าวตอนตะวากเนี่ย ขอเชิละเบิกเหกันนะเราเชิญละเบิกอัลลอฮุมะละเบิกละลาชาริกะไม่มีภาคีใดๆเลยอัลลอฮ์อินน์ะลม a m d a w a n i y ะ m a t u l a k a h ความโปรดปรานทั้งสิ้นบรรดาการสรรเสริญทั้งสิ้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่างเดียวคือในคําตลบียะเนี่ยตัดไม่มีภาคีไม่มีชิริกเลยแต่ของเขาในเวลาเขามาตอบนี่เขายังมีละเบกัลลอฮุมะละบิกลาชารกะล และเชอรี่และเบยก็อัลลอฮ์นี่ข้าพเจ้านี่มาพร้อมแล้วในการรับบัญชาของพระองค์ท่านและเชอรี่แกลักไม่มีภากีใดๆกับพระองค์ท่านฟังให้ดีนะเอาไม่มีภาคีใดๆอิลลายกวยนเชอรี่กันตจำลิกูฮัวมามหละ่ะยกว้นจะมีภาคีท่านพระองค์ท่านเนี่ยครอบครองเขาแต่เขาเนี่ยไม่ได้ครอบครองพระองค์ท่านแต่ก็มีภาคีนะมีมี ม, มีอิลลัเน เลบไบค์ อ, อัลลอฮุหม่าเลบไบค์ไม่ใช่รีคลักไมคใมารีคแต่เีคน ن, คนที่มาีอยทั้งหญิงแลชายแลคนที่มาส่าวตัลกนี้าางคี นบีก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสำหรับตัวท่านนบีที่จะไปประกอบพิธีฮัจ์ซึ่งมันมันเป็นศาสนกิจสูงสุดแล้วของของอิสลามเนี่ยโดยที่ยังมีอะไรที่หลงเหลือหลงเหลือจากเรื่องเชลิกอะไรทั้งหลายปีนั้นนบีก็เลยตัดสินใจไม่ไปไม่ไปแล้วสรงอาวัลกอัสติกไปเป็นอามีรุลฮัจบีนั้นให้ประกาศว่า לא يحج لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بهذا البيت عريان ห้ามเลยตั้งแต่ปีนี้หมายถึงว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนะห้ามไม่ให้ไม่คนที่ตั้งภากีก่อนลอเนี่ยมาตะว่ามาทำฮัจจ์และห้ามคนเปลือยกายนี่มาตะว่ารอบกาบะโดยถูกขาดหลังจากฮัจจ์ปีนี้เป็นต้นไปเพราะนบีวางแผนว่าปีที่สิบเนี่ย ท่านในเีญจธรรมฮัดฮัดจะตัวได้นะฮัดจะมั่งละนี่ส่วนหนึ่งของของของเรื่องอะไรเรื่องกฎิกาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ธรรมดาที่ประเทศเประเทศอาหรับเนี่ยที่จะชอบนิยมนิยมนิยมประเพณีของฝรั่งแล้วก็จะมี เขาก็จะสร้างโอเปราเ่าเขาจะโอเปร่านะโอเปร่านี่ก็ดนตรีคลาสสิกของของคนยุโรปเขานี่โอเปร่าเนี่ยคนที่จะไปฟังโอเปร่าเนี่ยนี่ใส่โต๊ะใส่เสื้อแบบนี้ใส่ตอลีบันไม่ได้เลย mm hmm. เขามีชุดของเขามีสูตรอะไรของขสูตรที่มีหางสองหางเลยนะเรียกอะไรนะเออนั่นน่ะมีชุดอะไรของเข า, ขเขาถ้าไปไปไม่ใส่ชุดนี้นี่เขาไม่เข้านะ ล่าสุดเนี่ยที่ประเด็ศอียบีบีซีทาเป็นข่าวเลยร้านอาหารที่ประเด็ศอียิปต์ประเด็นมุสลิมนะห้ามคนไว้เคราและคนที่คุมฮิจาก์ผู้ชายที่ไว้เครามุสลิ ม, มาที่คุมฮิจารห้ามเขา้ากินในร้านอาหารทําไมเขาบอกว่าเป็นเป็นการเป็นเป็นกฎเป็นกฎของของร้านเพื่อรักษาความรู้สึกส่วนรวม ก็มีคนไฮโซมีคนที่ไม่ชอบที่หน้าของกบไว้เข้าพวกกิยามเนี่ยเขามานั่งเขาเาเขไม่ได้ไม่ไม่อันนี้มีแล้มีคนออกมาอกพวกโอ้ในะประเทศฝรั่งเศสนี่ออกกฎหมายห้ามห้ามผู้หญิงเนี่ยสวมบอร์เกนี่รู้จักไหมบอร์เกนี่บอร์เกนี่นี่ก็คือชุดว่ายน้ําที่ไม่ใช่บิกเคนี่บิกเคนี่นี่ก็คือสองชิ้น โบเกนี่น่ก็คือชุดที่มันปิดหมดเนี่ยคือตัมและกั้งศาสนามันก็ผิดเหมนกันแหละมันก็ผิดมุสลิมอาศัยไม่ได้แต่มันมันเป็นชุดที่มุสลิมเนี่ยเขาอยากจะเล่นน้ําจะเล่นสระน้ํำจะลงทะเลเขาก็ไปออกแบบชุดที่มันปิดเขาเข้าใจว่าอ๋อมุสลิมต้องปิดแต่ปิดนี่มันมันมันก็สัดส่วนนี่มันเห็นหมดแหละแม้กระทั่งชุดนี้นะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยออกกฎหมายห้ามไม่สวม แล้วจะจะเล่นน้ำจะลงลงลงหาดอย่างเงี้ยแค่ผ้าแล้วก็ถือว่าเป็นศีกนะเป็นศีกรักเป็นรักษาวัฒนธรรมของฝรั่งเศส อ, อ้าวน บ, บีก็ทําแบบนี้วัฒนธรรมดั้งเดิมนี่นี่กาบ้านเนี่ยรักษาความสักดิ์สิทธ์นี้ก็ใครจะมาปัเปื่อยกายห้ามไม่ทำต้องต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทําไมในทั้งหมดนี่ผมผมไม่เห็นผลนะว่าเออทาไม และการศาสนานี่ทำไมกำหนดแบบนี้เนี่ยและยังมีคนจะมาตำหนินะวโอ้นศา ส, สนานี่วางกฎเกณฑ์คอะไรนะอ่ละเมิดสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรภาพไปสั่งให้ลูกสาวทำไมคุมอิจฉาไมเป็นการเอ่อเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของเด็ก เด็บริสุทธิ์ปล่อยมันดิเรื่องกิจอาบนี่เออแล้วก็ให้เด็กนี่ใส่เบกกิ้นี่เนี่ยมันมันไม่ทำลายบริสุทธิ์แล้วแต่งตัวเด็กนี่ให้ขึ้นไปเต้นบนเวทีเน่ยอายุยังห้าขวบเนี่ยตเต้นบนเวทีเหมือนเหมือนนางงามเหมือนมันไม่การทําลายความบริสุทธิ์ของเด็กเช่นเดียวกันพออิสลามพอท่านมูฮัอหมัดสุลต่านได้ประกาศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับพละเมืองนละเมืองที่จะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นการจัดระเบียบสังคมภายในมาตราแรกเลยเนี่ยนบีให้เอาบักรเอาสามสิบอายะแรกแรกของสุลตว่านีไปอ่านช่วงฮัจจ์ตอนไปนนไม่พอส่งอารีมนบมิอลิบวันที่สิบยุลฮิจญานี่ไปอ่านอ่าน อ่านเสียงดังเลยอับบุคุเราะนี่เขช่อ่านเสียงดังด้วยให้ทุกคนรับรู้อะไรละ่บระบารออตุมมินัลลอฮิวาลลุสุลีฮิอิลัลลัฎีนา่าฮัดตุมมินัลมุชฎิก น, นี่คือประกาศนี่คือประกาศมารออ่านประกาศประกาศอะไรการพ้นข้อผูกพันใดๆที่วงเล็บเนี่ยนี่คือการประกาศมันมันไม่ได้อยู่ในสำนวนนะ แต่คาว่าบารออาตุนเนี่ยมันเป็นการประกาศในตัวไงอะไรต้องวงเล็บนี่คือการประกาศคาว่าบารอนีอ่บารอเนี่คือคื อ, คอตัดข้อผูกพันใดๆมิน ล, ล้อยการตัดเนี่ยการตัดข้อผูกพันเนี่ยจากอัลลอฮ์จากอัลลอห์ฮะร์รัสูลีฮีและรัสูลของพระองค์อิละยังริกแย الذين ع ه د ت م من المشركين ب ن د ا فوسكارك ج و ي مشركين تي فوق جاو د ي تام س ن ي ا و ي ماسنجد و نا المشركين เนี่ย ن مشركين وغلب صح بع ل ك ب ا ي مشركين เนี่ย ب ن د ا فوسكارك مشركين مي تفو سكارك ارهو م ي พีกครอ่ะเนมีอารูขีตาเป็นมุชริกีนมาเป็นมุชริกีนอารูขีดตาเป็นมุชริกีนแต่ทําไมาข้อแปลวะตัดข้อผูกพันกับบรรดาผู้สกการาจวีตมันมีสตอรี่มันมีรายละเอียดเพราะในสุรตัตตวะเนี่ยจะมีมาตราเกี่ยวกับพลเมืองที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ยิว ถ้าทําสัญญาสันติภาพแล้วเนี่ยและจ่ายจีเซียแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองที่มีสิทธิอันนี้จะมีเฉพาะเลยที่เฉพาะนับถือศาสนาลิสกิยูนะตอนนั้นท่านนบีกำลังจัดระเบียบในคาบสมุทรอาหรับซึ่งคาบสมุทรอาหรับนี่ก็มีมีนี่แหละที่เป็นมุสลิมมุสลิีนี่มีมีที่บูชาเจวิตสักการะเจวิตแล้วก็มีอัลกิตับเนี่ยยู อยู่ <You S 2> และกคริสต์มีแต่อันนี้เนี่ยเป็นการเจาะจงชาวอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับที่สกั ก, กระจวิตถ้าเคยมีข้อตกลงสัญญาใดๆกับท่นานนบีว่าว่าจะให้อยู่ในข้าบสมุทรอาหรับจะให้อาศัยอยู่เดินทางปลอดภัยถึงแม้ว่าระบุสัญญาข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้ระบุสัญญาข้อตกลงนี้อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีประกาศพ้นข้อผูกพันเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงก็หมายถึงว่าคนที่สักการะเจวิตจะไม่มีสิทธินในการที่จะอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนอกจากว่าหนึ่งต้องรับศาสนาอิสลามเอาแล้วก็จะเหมือนอ คริสต์สามารถจ่าเซียไหมไม่ไม่จ่ายเสที่สกาณาจักรนี้นะไม่จ่ยเซียถ้าเป็นอาหรับนะหรือไม่ได้เป็นอาหรับถ้าสกอาณาจักรแต่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยถ้าสกอาณาจเวรนี้นะไม่จ่ายเซียให้เลือกสองอย่างหนึ่งอับดุลสลามสองก็คือไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่คาบสมุทรอาหรับนี่ไง บังคับให้คนรับอิสลามบังคับตรงไหนอ่ะถ้าบอกก็อยากจะอยู่ก็ต้องเป็นมุสลิมไม่อยากจะเป็นมุสลิมก็ไม่ให้อยู่ก็เหมือนวาติกันนี่แหละอยากจะเป็นอยากจะได้สัญชาติอันนี้ถ้าให้นะถ้าเขาให้นะก็ต้องเป็นคริสต์คาทอลิกด้วยนะอยากจะได้สิทธิสมบูรณ์ของอิสราเอลเนี่ยนับถือศาสนายูญญ่ มือนกันเลยบังคับตรงไหนอ่ะเขาไม่ได้บังคับแต่ ถ, ถ้าคุณอยากจะอยู่นะหรอคุณอยากจะเลือกเนี้มีสิทธิ์ใกล้เคียงกันตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะถือสัญชาติหรืออาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินบางผืนแผ่นดินเนี่ยจะต้องมีความเชื่อแบบนู้นแบบนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกันนะแตนน่นี้เนี่ยมันค่อนข้างสากลนานชาติมากเลย ใครที่จะอยู่ในแผ่นดินถือสัญชาตินี้เนี่ยจะต้องมีเชื้อชาติจะต้องมีเชื้อชาติของพื้นที่นั้นๆน่นะโดยพิสูจน์ได้ว่าปู่ย่าตายายเขาเนี่ยสามสี่เจเนเรชันเนี่ยเกิดที่นี่มีมะมมีโอ้ยหลายประเทศเลยกำหนดเลยมากกว่านั้นจะถือสัญชาติจะต้องต้องพูดภาษาของประเทศเขา เ, เงื่อนไขเลยนะไปเนี่ยนะโนเวย์ no way, ไปเยอรมันไปฝรั่งเศสก่อนที่ก่อนที่จะให้แค่วีซ่านะก็วีซ่าที่อยู่อยู่ประจําเนี่ยยังไม่พูดถึงสัญชาตินะเขาจะทดลองก่อนให้วีซ่าอยู่สักปีสองปีก่อนแล้วก็เรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าไม่ได้เขายังไม่ให้สัญชาติต้องพูดภาษาเขาเนี่ถึงจะได้สัญชาตินี่ทั้งหมดนี่เงื่อนไข เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบังคับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีอ่ะหรือเขาอาจจะไม่อยากไม่อยากได้ก็ก็ก็มีเงินอะไเนี่ไม่อยาก ไ, <neg> าไม่อยา ก, ยากจะเรียนภาษาฝ ร, รั่งเศสมีมไหมล่ะบางพื้นที่เนี่ยบางประเทศนะผมพูดถึงบางประเทศอะบุลลี่ชาวบ้านอยากจะรู้ว่าเขาเป็นเป็นคนที่ถือสัญชาติประเทศนั้นแ ท, ท้แทหรือเปล่า ว, ว่าไหนร้องเป็นชาติดิบุลลี่ ทั้งทั้งนี้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับทั้งหลายในประเทศนี่นะไม่มีข้อบังคับว่าต้องต้องท่องอเพลงไอ้นี่ผมร้องได้นะแต่ผมแค่อันตี้ข้อบังคับอ่ะข้อบังคับที่มันไม่มีเหตุผลร่ะมีนะประกอบด้วยมีนะลูกหลานคนใดที่ไปเรียนเมืองนอกเรียนเมืองฝรั่งเนี่ยร้องไปจะไม่เป็นร้องไปจะไม่เป็นอ่านยังไง อยาว่าเพียงชาตินะคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยลูกหลานที่ไปเรียนประเทศฝรั่งเนี่ยพูดภาษาไทยยังไม่เป็นเลยก็ยมีไอ้กฎหมายนี่ไม่ได้มีข้อบังคับว่าคนไทยต้องพูดภาษาไทยก่มีแต่นี้ประเทศต่งางๆนี่เ ข, ขาวาง ก, กติกาวางกดเกณฑ์อะไรกี่กัเรื่องนี้ล่สุดดิบดบร้อนร้อนสดส ด, สดเลย เขาสร้างทํากิจกรรมเกี่ยวกับเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมประเทศบางเออเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในฐานะที่เขาทํากิจกรรมในพื้นที่การดูแลของเขาเขาก็ไปแล้วก็นในกิจกรรมนั้นก็ใส่ชุดเชื้อชาติของเขามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆอะไม่ได้ใหญให้มากกว่านั้นเลยจริงๆโอ้โหเนีนโดนด่าเล็กยับเลย เขาเป็นคนนับถือศาสนาอะไรเขาอยู่ในแผ่นดินไทยทําไมไม่รักษาวัฒนธรรมไทยอัโธ่ทําไมไม่ยุติธรรมบ้างให้เขาใส่ชุดพระบ้างอะไรไปกันใหญ่ละนี่สดสดส ด, ดิบดิบเลยนะีอะไรที่มุสลิ ม, ม, ลมไม่เคยบังคับเลยต้องใส่หมวกต้องใส่โตนไม่มีข้อบังคับเลยไม่มีข้อ บ, บังคับและเรื่องนี้เนี่ยมันมีเขาทํากันทั่วโลกนะทั่วโลกเขาทากันที่ประเทศยุโรปเนี่ยมุสลิมาเนี่ยเขาจะ ท, ทํากิจกรรม ตั้งแผงตามถนนเนี่ยแล้วก็มีชุดนิจจ์ให้ให้ผู้หญิงแต่งเส้อเนี่ยลองใส่ชุดนิจจ์คือให้เขารู้สึกว่าเออมุสลิมเขาเขาแต่งตัวเขาเขารู้สึกอย่างไงอะไรเงี้ยมันขาไม่รู้สื้อคติอะไรเลยไม่มีไม่มีฝรั่รงออกมาต่อต้านว่าเฮยนี่มันทําลายวัฒนธรรมนะอะไรนักหนาก็อยากจะบอกว่าการที่จะกําหนดกติกาเกี่ยวกับเรื่องคนละเมืองเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์เกี่เรื่องความเชื่อมันมีมีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่เฮ้ยมีอยู่จากัด บ, บริเวณว่าพื้นที่นี้ห้ามใครที่ไม่มีความเชื่อแบบนี้ไม่แต่งตัวแบบนี้ห้ามเข้ามีไหมเฮ้ยมีทุกที่เลยที่เลยบ้านเรานี่ก็มีบางพื้นที่เนี่ยมาอยู่ทุกคนน่ยสามัญชนจะเข้าเข้าจจไม่ได้ทําไมอ่ะก็ ก็เป็นเป็นเป็นการกําหนดระเบียบอะไรบางอย่างธรรมไดาอันนี้เป็นช่วงเป็นช่วงเครียกช่วงเปลี่ยนแปลงสังคมน บ, บีก็ เ, เลยก็ เ, เลยยกเลิกข้อตกลงสัญญาสัญญาประกาศยกเลิกหมดเราจะมาจัดระเบียบใหม่เพราะหลังจากนี้เนี่ยใครที่จะอยู่ในในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับจะเข้ามาหรือจะ ชั่วคราวหรือจะอยู่ถาวรนี่มันจะมีระเบียบมันจะมันจะมีระเบียบเฉพาะแต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงชั่วคราวก่อนที่นบีจะไปทําฮัดเนี่ยสี่เดือนน่ะนบีก็เลยทิ้งโอกาสจังหวะให้คนที่สักการะจวิ้เนี่ยพิจารณาตัวเองเพราะเดี๋ยวมันจะมีระเบียบของคนละเมืองซึ่งเรื่องนี้ ف َ إ ِ ن ّ اللَّـهُ ع َ ن َ و ََ ع َ ل ََ ل َ فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أ َ ر ْ ب َ ع َ ة َ أَشْهُورٍ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ م ُ ع ْ ج ِ ز ِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ أَكْقَوَبُ حَنْكَ ش َ أ و ُ مُشْرِكِينَ يِسْكَارَتَوِتْ م ش ْ ر ِ ك ِ ي ن َ يِسْكَارَتَوِتْ ن َ ه مُشْرِكِينَ ي َ ب و ن َ بِالْبَيْطَابِ ที่ตัดข้อผูกพันข้อตกลงอะไรต่างๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เนี่ยสําหรับคนที่สการ์นเจอเวตเนี่ยให้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับโดยมีความสันติภาพเช่นกันแล้กันอันนี้ยกเลิกเลยนะเสียหูฟิลอาร์ดังนั้นพวกท่านจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินอารบะจชุรีสี่เดือนอันนี้หธิบานิดหนึ่งเสียหเนี่ยคำว่าเสียห้าเสียห้าในภาษาอาหรับนี่ก็หมายถึงว่า การเดินบนผืนแผ่นดินแต่ในภาษาภาษาอาหรับเนี่ยปัจจุบันสนี่นวนปัจจุบันเนี่ยเซียฮาเนี่ยจะใช้กับคําว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวมีเที่ยวด้วยมีกระทรวงในประเทอาหรับนี่ที่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยอุซเบกอัสเซียเข้าใจว่าอิทธิพลของภาษาปัจจุบันเนี่ยภาษาปัจจุบันเนี่ย ก็มาถึงในพุชการหลายท่านนะที่เป็นคนไทยแล้วก็พ้อมอธิบายเนี่ยก็เลยอธิบายตามความเข้าใจแต่ถ้าไปดูในพุชนานุกรมเนี่ยคําว่าเที่ยวเนี่ยไม่มีแต่นี่มันเป็นความเข้าใจส่วนตัวที่เขาคุ้นเคยกับคํ า, าเนี่ยเสียฮาเนี่ยซสียฮูท่องเที่ยวไม่ไม่ต้องเที่ยวก็ได้อลัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาเที่ยวอลัลลอฮ์ต้องการใ ห, ให้เขาเดินทางไป แล้วก็พิจารณาตัวเองจะเล่นที่ไหนก็ได้ในหมู่บ้านของตัวเองในค้ามสมุทรทั้งหมดหรือจะออกไปไปข้างนอกนี่ไปไปดูไปศึกษาดูซีรูฟิลอารดีนี่ไงเดินทางบนผืนแผ่นดินเป้าหมายคืออะไรอ่ะให้รู้ว่ามีการตัดข้อผูกพันแล้วนะและการที่จะอยู่ในข้าบสมุทรอารับเนี่ยมันจะมีข้อแม้แล้วนะอ่าเหมือนมีคนเข้าเมืองผิกกดกฎหมาย เยอะเล ย, ยล้านเลยทีนี้ทางการนี่โอยไม่ไหวจะจับหมดไม่ไหวจะไม่ไหวจะไล่หมดทำยังไงอา้าวให้โอกาสเวลา6กเดือนให้อะไรกันอะไรอ่ะให้ปรับกเรแก้ไขให้ให้แก้ไขสภาพสถานะของตัวเองทำยังไงยื่นเอกสารขอวีซ่า ยื่นขอสัญชาติ เ, าเป็นให้มาบรรจุเป็นแรงงานอะไรกันอะไรก็ต่างโอ้ให้โอกาส6เดือนในโอกาสหเดือนนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวกันนะไม่ใช่ไปไปไปเออไปเมืองไทยในเมืองต้องเที่ยวไปไม่ใช่ให้โอกาส6เดือนนี่จะได้พิจารณาตัวเองว่าจะเอาอยัางไงจะทํางานที่นี่อาจจะไปยืน่นกระทรวงแรงงานซะเอาจะอยูจะจ ะ, จะเที่ยวเมืองไทยอาจจะไปขอวีซ่าท่องเที่ยวซะ พราะจะอยู่ต่อไปนี่คืนจะอยู่ต่อไปหลังจากคุณเดินไม่แน่เจอที่ไหนไม่มีวีซ่านี่จับไรเลย น, นะอันนี้อัน น, น, นี้อันนี้เหมือนนั่อซีรูต้งเดินทางไปบนผืนแผ่นดินพิจารณาตัวเองจะ อ, อยังไรวางแผนชีวิตอ่าไม่เอาแล้วจะเวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีจะเดินอะไรเลย อ, อยู่กันแบบนี้เนี่ยและ่ะหลังเป็นคําสั่งสอนใหม่ๆที่สามารถ ให้สติปัญญาของคนดีดีขึ้นเออน่าคิดเราจะได้ศึกษาะอย่างนั้นผมขอเวลาศึกษาจะรับอิสลามอ่ได้เอยผมตัดสินเจแล้วแม้วิสลามก็ได้แต่ห้ามอยู่นะเนี่ยก็นี่ก็บังคับบังคับตรงไหนอ่ะบังคับนี่ก็คืออย่างนี้อ่เข้า